ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตตะปัปพระปุพพะสิกขาและปุพพะสิกขาวันนานาพระอมาราพิริกิตะอมโรเกิดวัดบรมิว่ารสนาต่อไปจะ ก, กล่าวในมัณฑนาดิกถากล่าวเรื่องของการประดับตกแต่งเป็นต้นข้อหนึ่ง จิกสุยาธาและผัดและย้อมหน้าและย้อมตัวด้วยเครื่องทาเครื่องย้อมด้วยปัญจห้ามไว้ว่าณนะพิขเวมุขังอาลิมเปตะบังณนะมุขังอุมมัดิตะบังณนะมุขังจุนเนตะบังณนะมโนติลายามุขังลันเชตะบังณนะอังคราโกณนะมุคราโกณนะอังกามุขคราโกนะ ก, าโ ก, กาตโบโวว่า ติสุยาธาหน้าด้วยเครื่องทาที่กระทําให้เป็นคนมีผิวใสยาผัดหน้าด้วยเครื่องผัดต่างๆยาปัดเช็ดหน้าด้วยจุนสำหรับผัดหน้ายาเจิมหน้าด้วยมโนศีลาและหอดาดานเป็นต้นยาย้อมตัวยาย้อมหน้ายาย้อมทั้งตัวและหน้าถ้าเธอใดทำอย่างนี้ต้องทุกกดด้วยทรงอนุญาตไว้ว่าอนุชาณามิพิขเวอาบาทัพปัจยามุขขังอาลินปิตุงดังนี้ พระอาพาธจะทาหน้าควรอยู่ถ้าไม่ป่วยถ้าไม่ป่วยข้ามไปทาหน้าอะไรต่างเพราะว่าก็เป็นไปกับโลภะไม่ได้เป็นกุศลอะไรเลยไปผัดหน้าทาหน้าย้อมหน้าอะไรต่างจะไปทําให้เจริญด้วยไตรจิตขาเพราะฉะ น, นั้นก็ไม่ควรข้อหนึ่งทิศุอย่าทรงเครื่องประดับมีตุ้มหูเป็นต้นด้ยทรงบัญญัติไ ว, ว้ว่าณพิฆเววัลิกังทาเรตะบัง นตะามังกังนะักถสุตังนะกติสุตังนะโอวัตตังนะกายุรังนะหัตถาพระระนังนะอังกุลิมุติกังทาริตบังว่ายาทรงต้มหูเครื่องประดับหูโดยที่สุดแม้เป็นใบาตาลและได้ถังวานและเครื่องประดับสะเอลสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยที่สุดแม้เป็นได้ก็ดีและกำไรและสายสร้อยและเครื่องประดับมือและแหวนนิ้วมือ เธอใดทรงเครื่องประดับเหล่านี้ต้องถูกกดเครื่องประดับสิ่งใดทิงหนึ่งไม่ควรเลยนาฬิกาล่ะควรไหมนาฬิกานาฬกาไว้ดูเวลา น, นั่นก็ถ้าจะให้ดีก็ควรจะใส่กระเป๋าสระหรือว่าจะเป็นไหมพรมถักแล้วก็เอาเน็บไว้ที่ ต, ตะกตคตประกตเอวก็ได้แต่ว่าเอามาผูกที่ข้อมืออันนี้ก็เหมือนขัดหัดมากาไม่เหมาะสมเท่าไหร่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 ณพิคเวมัตุกัปปาเตตะบังดังนี้ห้ามตัดหนวดด้วยกันไกตัดผมด้วยกันไกตัดหนวดด้วยกันไกนี้ไม่ได้ทำงานต้องโกนข้อหนึ่งอีกย่าหวีผมได้แปลงย่าหวีด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีหวีงาเป็นต้นอย่าเอามือทําเป็นหวีหวีผมด้วยนิ้วมืออย่าหวีด้วยน้ํามันเจือด้วยขี้ผึ้งอย่าหวีด้วยน้ํามันเจือด้วยน้ําถ้าหวีดังนี้ต้องถูกกด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 วัตถุทั้งพวงนั้นนับว่าอาดาสะแว่นสิน้นหมายถึงกระจกเงาเนี่ยแหละถ้ามันสะท้อนออกมาเห็นรูปร่างหน้าตาตัวเองอันนี้ก็เป็นกระจกเป็นแว่นทั้งนั้นนัลนแม้น้ําต้มปรอูมเป็นต้นก็ดีก็นับว่าภาชนะน้ําสิน้นก็คือมองไปในน้าเห็นเง า, นาหน้าตัวเองแล้วก็เป็นดูอะไรนี่ก็มีอาบัตเหมือนกันเพราะเหตุนั้นเมื่อแลดูเงาหน้าในที่ใดที่หนึ่งต้องทุกกดเป็นแผลในหน้า จะแรดูเงาหน้าในกระจกเป็นต้นเ็ือจะรู้ว่าแผลเรามีผิวขึ้นยังมีผิวขึ้นหรือยังควรอยู่ได้ทรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิภิกขเวอาบาทบปัจจยาข้อความละโอโลเกตุงก็ให้ดูได้ดังนี้ในอัตถกถาว่าจะแรดูเพื่อจะดูอายุสังขารว่าเราแก่แล้วหรือยังก็ควรอยู่เหมือนกัน ดูสิว่าตอนนี้นี่จะปลงของเวทในหน้าต่างของเรามันแก่ขนาดไหนแล้วหรือก็อนุญาตได้เหมือนกันให้พิจารณาไตรลักษณ์ที่ใบหนา้าแต่ว่าก็ต้องพิจารณาให้ดีข้อหนึ่งอย่าเพ่งดูนิมิตหญิงด้วยสงห้ามไว้ในวีนิตรวัตถุว่าณจาัตพิคเวสารเตณมาตุคามัสสะอังคาชาตังอุปนิชยิตบังว่าเพกตุอย่าพึงกำหนัดเพ่งองกำเนิดแห่งมาตุคาม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 ถ้าสีกายในที่เหล่านี้ต้องทุกกดด้วยทรงห้ามไว้ว่าณนะพิขเวณนะหายะมา น, นีณรุกเขกาโยณธรรมเพณนะกุดเดกาโย ο, อุคังเสตบโบดัง น, นี้ข้อหนึ่งอีกอย่าอาบในที่ชื่ออัฐานะและอย่าอาบด้วยไม้ชื่อคันทัพหัตตะและอย่าอาบด้วยกุรุวินตะสุตติถ้าอาบในอัถนะ และอาบด้วยของเหล่านี้ต้องทุกกฎด้วทรงห้ามไว้ว่าณพิทเวณหายะมาเนณอัฏฐเนคันทัพพระหัตถเกณนะกุโรวินตกะสุติยาณหายิตบังดังนี้ชาวมชิมะประเทศทั้งหลายเขาถากต้นไม้ให้เหมือนกับกระดาลแล้วจำหลักให้เป็นแถวรีแถวขวางโดยอาการดังตากระดาหมาคลุกแล้วฝังไว้ที่ท่าอาบน้าเอาจุนจุเข้าใน ไม้กระดานนั้นแลลวก็สีกายในไม้กระดานนั้นไม้กระดานนั้นชื่อว่าอัถนะรูปมือทาด้วยไม้ตั้งไว้ที่ท่าอาบน้ำชื่อว่าคันทัพพระหัตถะได้ยินว่ามนุษย์ทั้งหลายเขาถือเอาจุนด้วยไม้เช่นนั้นแล้วขัดสีตัวเกลียวได้เขาผสมจุนกรวดศิลาเข้ากับครั่งทำเป็นก้อนเข้าในถ้มกลางเรียกว่ากูรุวินตกสุติ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 พิจุอย่าพึงอาบด้วยไม้ชื่อมันละกะถ้าเธอใดอาบด้วยไม้มันละกะต้องถูกกดไม้เขาจักเป็นฟันมังกรทำสันฐานดังรากมันชื่อว่ามันละกะไม้มันละกะนี้แม้แก่พิจูไข้ก็ไม่ควรไม้มันละกะเขาไม่ได้ตัดเป็นฟันมังกรควรแก่พิจูไข้พิจูไม่เป็นไข้ก็ไม่ควรด้วย ได้ทรงอนุญาตไว้ว่าอานุชานามิพิขเวทิลานั ส, สะอะกาตามละลังดังนี้่อนกระเบื้องและตอนขีดาควรแกะที่สุดทั้งปวงเกลียวผ้าและฝ่ามือเป็นของควรเวลาอาบน้ํานะให้เกลียวผ้าก็ได้ฝ่ามือก็ได้ขัดสีถูไปได้ทรงอนุญาตเลยว่าอนุชานามิพิขเวอุกาสิกังปุทุปานิกังดังนี้อุกาสิกังก็แปลว่าเกลียวผ้าเพราะเหตุนั้น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 ไปถึงผ้าอาบน้ำแล้วอย่าเอาผ้าจีวรทิ้งไว้ในที่แห่งใดแห่งหนึ่งแล้วดวนลงไปพึงแลดูทิศทั้งปวงรู้ว่าเป็นที่สงัดแล้วพึงกําหนดตอและพุ่มและถาวนเป็นต้นแล้วยืนก้มลงเลื่องจีวร อ, ออกพึงไว้แก้ประคบเอวออกวางไว้บนหลังจีวรถ้าผ้าอาบไม่มีไสพึงนั่งยอมลงที่ใกล้น้ำเลื่องผ้าสะบงออกถ้าที่พึงมีไสพึงตากไว้ที่แดด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 ผูกกระดกเอวคลุมจีวรยืนอยู่ผ้าแลอาบมีผ้าอาบไซตขึ้นมาแล้วพึงให้แถวน้ําตกจากตัวแล้วจึงนุ่งผมนั่นก็เป็นธรรมเนียมในการอาบน้ำํำนั้นถ้าเกิดไม่มีผ้าอาบน้ำว่าโปะก็ต้องมีธรรมเนียมในการที่อาบให้ดีไม่เปตดเจอเจอ์ข้อหนึ่งอีกอย่าเปลือยกายไม่มีผ้านุ่งผ้าหม่มไหว้ผู้เปลืยกายด้วยกันอย่าเปลือยกายไหว้ผู้อื่น อย่าเปรยกายให้ผู้เปรยกายด้วยกันไหว้ตนอย่าเปรยกายให้เขาว่ายอย่าเปรยกายทำประกำแก่ผู้เปรยกายด้วยกันอย่าเปรยกายให้ข้าวของแก่ผู้เปรยกายด้วยกันอย่าเปรยกายรับของอย่าเปรยกายเคี้ยวกินอย่าเปรยกายฉันอย่าเปรยกายดิ้มเรียอย่าเปรยกายดื่มน้ำถ้าเปรยกายในที่ดังนี้ต้องถูกกดพรโปอยู่นี่ห้ามไปทำอะไรโปก็ไปอุจรพัสวาเท่านั้นแหละ อย่างอื่นนี้ห้ามทำแต่ทำในต้องอภัตทุกกฎโดยทรงห้ามไว้ว่าณพิขเวนักเคนณะโคอภิวาเดตัปโโบขาอความละณเคนณะปาตับบังจะห้ามโปแล้วดื่มดังนี้ทรงอนุญาตเครื่องปิดกายไว้สามชนิดอย่างนี้ก็คือจันตาคระปฏิจฉาดิเครื่องปิดกายก็คือเรือนไฟอย่างหนึง่งอุตกะปฏิจฉาดิเครื่องปิดกายก็คือน้ําอย่างหนึง่ง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 ไปทำกรรมอย่างอื่นนอกจากถูหลังให้กันข้อหนึ่งอีกอย่าพึงใช้กระเบื้องสีเท้าเขาทําเป็นหนามเป็นปมขึ้นดังสักบัวเพื่อจะสีเท้าถ้าใช้กระเบื้องสีเท้าเช่นนั้นต้องทุกกฎด้วยทรงห้าไมไว้ว่านาทิทเวกระตะกลางปริพุลชิตบังดังนี้กระเบื้องสีเท้า น, านั้นจะ ก, กลมก็ตามที่เรียมเป็นต้นประตามพระองค์ทรงห้ามเพราะเป็นพาหุลนุโยก ภาหุานิยโยนี้ก็หมายถึงว่าเป็นการตามประกอบให้มันมีบริฐารมาก ม, มีภาระมากถึกลาถึงความมากๆไปจะรับก็ไม่ควรจะบริโภคก็ไม่ควรเครื่องสีเท้าสามอย่างคือกรวดศิราหนึ่งอิดกระเบื้องหนึ่งหินฟองน้ำทะเลหนึ่งสามนี้เป็นของควรด้วยตรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิพิขเวติสโสปาดังสันิยสขัขะรังกะทัง สมุดดะเถนะกรงดังนี้สักกรังก็โปรดศีลานะถาละกลางก็อิดกระเบื้องสมุดดะเถนะกลางก็ฟองน้ำทะเลรูปนี้เหมือนฟองน้ำเถนุปินดะเถนุปินดะก้อนฟองน้ำข้อหนึ่งอีกทรงห้ามไว้ว่าณพิคเวเจระปติกาอากะมิตบาว่ายาพึ่งเยียบแผนผ้าถ้าเยียบต้องทุกข์ ข้อนี้พระองค์ทรงปรารบโพธิราชกุมารสร้างโกกันุทธปราศาสขึ้นใหม่ปูรานปราสาทด้วยผ้าขาวจนตราเท่าถึงลูกบันไดทีแรกแล้วใช้คนให้ไปเชิญพระองค์ให้สเสด็จมาเสวยบนปราสาสเพราะนั้นพระองค์สเสด็จมาโพธิราชกุมารก็ให้ทรงเหยียบให้ทรงเหยียบแผ่นผ้าพระองค์ไม่ทรงเหยียบเบือนพระพักดูพระอานนทพระอนนทก็สั่งให้เลิกเสียจึงเลิกไปปูเป็นอาสนะบนปราสาส พระองค์สวยแล้วเสด็จกลับจึงทรงบญัญญัติห้ามดังนี้แนอดีตถาว่าโพธิราชกุมารเสี่ยงพายไว้ว่าถ้าเราจักได้บุตรพระองค์คงจะเหยียบถ้าจักไม่ได้พระองค์คงจักไม่เหยียบพระองค์เห็นว่าจักไม่ได้ครั้นเหยียบลงราชกุมารจะเห็นวิปัสสนาตายจึงไม่ทรงเหยียบนี่เป็นเหตุที่ไม่ทรงเหยียบในภายหน้าที่ตุทั้งหลายไม่รู้เหยียบผ้าเช่นนั้นลงกระดับทั้งหลายจะดูถูกได้เพราเหตุนั้นพระองค์จึงทรงบัญญัติห้ามข้อนี้ไว้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 ข้อหนึ่งไม่เป็นไข้อย่า ก, กั้นร่มนอกอุปจารวัตดด้วยทรงห้ามไว้ว่าณพิฆเวฉัดตังทาริตบังดังนี้ว่าอย่าพึงกั้นร่มถ้ากั้นต้องถูกกดตัวร้อนกระวนกระวายหรือมัวตาหรืออาพาธอันอื่นอันใดอันหนึ่งเว้นร่มเสียเกิดขึ้นชื่อว่าเป็นไข้เพกถูไข้นานจะกั้นร่มในบ้านในป่าควรอยู่ด้ทรงอนุญาต ไปว่าอนุชานามิพิฆเวขิฬานัสสะฉัตตังดังนี้ถ้าแลฝนตกจะรักษาจีวรหรือว่ากลัวตัดร้ายและโจรแม้จะรักษาตัวกั้นร่มก็ควรอยู่ก็แลร่มใบไม้สิ่งเดียวควรในที่ทั้งปวงไม่เป็นไข้กั้นได้แต่ในวัดหรืออุปจาระแห่งวัดได่ทรงอนุ ญ, ญาตเลยว่าอนุชานามิพิขเวอะิลานนติ ทิกุนาอาราเมอารามูปจาเบฉัดตังทาเรตุงดังนี้สมัยนี้ก็ร่มพลาสติกทั้งนั้นนะนะร่มไม้ไม่ไมีอ่ะเป็นร่มสังเคราะห์ทั้งนั้นผ้าถังเคราะห์ทั้งนั้นแหละเป็นผ้าร่มข้อหนึ่งอย่าให้เขาเขียนรูปภาพถ้าให้เขาเขียนต้องทุกกดโดยตรงห้ามไว้ว่าณพิกเวปฏิภาณจิตตังกาลาเปตะบังอิทีรูปรตังปุริะรูปรตังดังนี้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 ด้วยทรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิพิคเวมาลาตัมมังละตาตัมมังมังกรดันตังปัญจปฏิตั ง, งนั้นี้มันดนาดิกถาจบมาได้เรื่องกันแต่งตัวเป็นต้นต่อไปจะกล่าวในปะตะปฏิสังยุตตะคถาเกี่ยวกับเรื่องของบาทข้อหนึ่งยาเอาบาทห้อยแขวนในที่แห่งใดแห่งหนึ่งถ้าเอาห้อยแขวนไว้ต้องทุกกด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 ถ้าเอาบาดวางไว้ในที่เหล่านี้ต้องทุกกฎด้วยทรงห้ามไว้ว่าณพิคเวมันเจปีถถอังเกฉัดเตมิทันเตปริพันดันเตปัตโตนิชิปิตาโบดังนี้เตียงต่างเขาทําเพื่อจะตั้งของหรือเพื่อจะนั่งนอนก็ตามเมื่อเอาบาดตั้งบนเตียงต่างอันใดหนึ่งคงเป็นทุกกฎห้ามตั้งบาดบนเตียงบนต่างนะก็แลเอาผูกเข้ากับของอื่นไว้ ควรอยู่นะถ้าผูกกับของอื่นไว้นี่ไม่เป็ดไรหรือจะผูกในแม่แค่ห้อยลงไว้ก็ควรแม้ผูกแล้วจะวางบนเตียงบนตังไม่ควรเลยนี่หมายถึงว่าเอาไปผูกเอาไว้กับสิ่งใดสิงหนึ่งไม่ได้ไว้บนเตียงบนตังคอาไว้บนเตียงบนตังนี่มีอวบแม้จะผูกไว้ไปวางไว้บนเตียงบนตังก็ไม่ได้ถ้าแลเขายกเตียงหรือตังขึ้นเป็นร่างร้านไว้บนราชีวรเป็นต้น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 หรือจะวางบาทเช่นนั้นบนร่มที่ผูกเป็นร่างร้านวางไว้ก็ดีควรอยู่ต้องมีการผูกเอาไว้กับสิ่งอื่นแล้วนะักไว้กับพันธะแล้วป้องกันกลิ้งไงก็และจะวางบาทบนพึงแห่งระเบียงเป็นต้นและวางบนพนักไม่ควรถ้าแลบาทแม้กลิ้งไปก็ตั้งอยู่ในพึงในพนักที่เช่นนั้นจะวางบาดแม้บนพึงที่กว้างอย่างนี้ควรอยู่ก็คือ วางแล้วเนี่ยสามารถที่กลิ้งไปได้ลมพัดอะไรต่ตางๆหล่านี้ไม่ใช่ไม่มีที่รองบากถ้าวางบนพื้นบริเวณกว้างแล้วมันไม่กลิ้งตกของไปก็วางได้ที่สุดแห่งปริพันธ์นั้นก็คือฐานพื้นนอกพล้งนอกพนัก น, นิชัยในที่สุดปริพันธ์นี้ให้พึงรู้โดยในดังกล่าวแล้วในพึงนั้นนั้นเถิดก็คือบริเวณที่วางของได้อ่ะถ้ามันจะกลิ้งได้ก็อย่าไปวางเลย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 มันก็ไม่ได้เป็นพื้นคมแข็งก็แล้วเมื่อวางในที่มีดินร่วนและฝุ่นเป็นต้นหรือพื้นคมแข็งเป็นทุกกดถ้าเป็นดินร่วนฝุ่นต่างๆนี้มันเละเทอะบาดด้วยอันนี้ไม่ควรแต่ถ้าสายนี้ก็ไม่เละเทอะก็วางวางบนสายได้แต่วางที่ดินร่วนยินฝุ่นอะไรตัวนี้ไม่ได้ต้องบาด ท, ทุกกฎแล้วก็อนุญาตปัตตะมาลกังโรงสําหรับไว้บาดทําด้วยอิฐหรือไม้ ปัตะกุณโดริกาหม้อสำหรับเก็บข้าวของมีสัญฐานดังกระถางปากกว้างสองสิ่งนี้พระองค์ทรงอนุญาตไว้เป็นที่เก็บบาทปัตะทะวิกาถุงบาทอังสะวัฒกาสายโยกสองสิ่งนี้พระองค์ทรงอนุญาตไว้เพื่อจะรักษาบาทปัตาทาระโกเชิงบาดเชิงบาทนี้พระองค์ทรงอนุญาตไว้เป็นที่วางบาดอนุญาตเชิงบาดด้วยนะอัตกถากรุนทีกล่าวไว้ว่า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 อนญาตให้สองใบในมหาเทวทาแม้ในเชิงบาด ท, ทําด้วยไม้ท่อนก็เหมือนกันอย่างนั้นก็นแล้เชิงบาด ท, ทําด้วยไม้เหมือนก้นพมรและเชิงบาด ท, ทําด้วยท่อนไม้คือเอาไม้สามท่อนผูกติดกันเข้าก็ดีไม่เป็นโอกาสแห่งบาดแม้แต่ใบหนึ่งแม้วางบาดบนเชิงบาดนั้นพึงนั่งเอามือยึดไว้ป้องกันมันจะร่วงจะดน ก็แลในพื้นพึงควํำวางไว้แต่ใบเดียวเถอะถ้าเป็นพื้นนี่ให้ควํำวางใบเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นวายที่เขาทาเอาไว้วยัยต่างๆแล่านี้ด้วยงานที่ถาวันนี้ก็วางสองใบหรือว่าสามใบซ้อนๆกันได้ข้อหนึ่งอย่าเอาของที่เป็นเดนลงในบาทอย่าล้างมือลงในบาทพึงล้างลงในกระโถนด้วยตรงห้ามและอนุญาตไว้ว่า ณพิขเวจละกานิวาอัิกานิวาอุดฉิตโถดังวาปเตณนนีหริตบังอนุชานามิพิขเวปฏิขหังดังนี้ว่าอาเมรที่คายออกจากทิ้งเสียหรือตั้งปลาหรือกระดูกเนื้อหรือน้ำล้างปากที่เป็นเดนเหล่านี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าพึงนำไปด้วยบาท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 จะเอาของนั้นวางลงในบาดได้อยู่จะวางกระดูกและกล้างเป็นต้นไว้ในบาดแล้วเอามือปล้อนออกมาฉันควรอยู่ถ้าเป็นปลาหรือว่าไก่นี่ก็ฉีด ๆ, ๆแล้วก็วางกระดูกไว้ยังไม่ได้เอาเข้าปากอันนี้ไม่เป็นไ้แต่ว่าถ้า เ, าเข้าปากแล้วนี่จะวางลงไปไม่ได้ก็แลขอสิ่งใดนําออกจากปากแล้วยังอยากจะฉันอีกอยู่จะเอาของนั้นวางลงในบาดไม่ได้เลยถ้าเอาออกจากปากแล้วนี่ก็ไม่ได้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 ผู้ไม่อาจถือบาดไว้ฉันได้เชิงบาดพระ อ, องค์ทรงอนุญาตในก่อนเพื่อจะรักษาบาดมันโลริกะทรงอนุญาตไว้เพื่อจะให้รองฉันแม้เครื่องรองทําด้วยไม้เส้าทําด้วยใบยไม้และกระเช้าและตะกร้าก้เนื่องเข้าในมันโลริกะนั้นสิน้นด้วยว่าตั้งแต่ถึงซึ่งสังเกตว่าเป็นเครื่องรองไปจะเป็นช่องกระดีทะลุกระดีไม่ทะลุกระดีก็ควรโดยแท้ สมัยนี้ก็บางครั้งก็มีการฉันโตกโตกนี่ไม่ใช่เตียบโตกก็อาหารดูวางเป็นสําหรับสําหรับแล้วก็ฉันนั่นนั่นเองข้อหนึ่งอีกอย่าเอากระโหลกน้ําเต้าทําเป็นบาสเที่ยวบินบาทข้อหนึ่งอีกอย่าเอากระเบื้องหม้อทําเป็นบาสเที่ยวบินบาทถ้าเที่ยวบินบาทด้วยของเหล่านี้ต้องถูกกฎด้วยตรงห้ามไว้ว่าณนะพิธเวตุมบะกะตาเหนะข้อความลักติกะตาเหนะบินดายะจริตบงัง ดังนี้กระโดกน้ําเต้าจะรักษาไว้ไม่ควรก็แลได้มาบริโภคจะทําเป็นของขอยืมนี่ควรอยู่นะทําเป็นของยืมก็คือไม่ให้เป็นของตนนั่นเองต้องมีความสําคัญหมายว่าไม่ใช่ของตนเพราะนั้นถ้าใครจะเอาไปใช้ก็ใช้ได้บ้างแม้ในกระเบื้องหม้อก็เหมือนกันข้อหนึ่งอีกอย่าเอากระดกหัวผีทําเป็นบาทไม่ควรเสี้ยตรงห้ามไว้ว่านาพิฆเวชาวะสีสตะปัตโตทาริตาโบข้อความละ ณจะสัปะพังสกูลิีเกณฑ์วิตบังดังนี้ว่าอย่าพึ่งทรงบาายกระโลงหัวผีถ้าตรงต้องทุกข์กดยาพึ่งถือบางสกุลในของทั้งปวงทุกสิ่งด้วยถ้าเธอใดถือบางสกุลทุกสิ่งต้องทุกข์กดและเตียงต่างเป็นของบางสกุล ค, คือเขาทิ้งเสียถือเอาเองควรอยู่ก็แลของที่จะพึงกลื่อนกินข้าต้องให้รับประเคน ก็แลของที่จะพึงกลืนกินเขาให้ก็รับเถอะก็คือต้องให้รับเคเรนไปเอามาบางสกุลมาฉันเองไม่ได้ก็และจะถือเอาของเป็นบางสกุลในซากศพที่ยังไม่แตกไม่ควรได้ทรงห้ามไว้ในวีนิตฐวัตถุว่าณาจา่าพิคเวอะพินเนสรีเรปังสุปูลังขะเหตะบงังดังนี้ถือเอาของบางสกุลในซากศพที่สด อยู่อุปัตตวันตรายย่อมมีต้องทุกข์กดด้วยเดี๋ยวสารางศพนี้มันลุกขึ้นมาแบบมาตัวอย่างพระพิจูรูปหนึ่งนะไปเอาผ้าบาังควณที่สารางศพเจ้าของศพตายแล้วก็ยังหวงผ้าอยู่นะก็เลยเป็นเศษสิงอยู่ในสร่างศพนั้นน่ะพระพิจูไปชักผ้าบรงควณมาสาร่างศพก็เลยลุกขึ้นอย่าเอาผ้าของเราไปอย่าเอาผ้าของเราไปก็เดินตามพิจูพิจูก็เลยแจ้นเลยวิ่งเข้ากุฏิปิดประตูล็อกอย่างดีเลย เลตก็เลยคิดว่าหมดหวังแ ล, ล้วล่ะก็เลยไปตามกรรมสร่าศพก็เลยล้มอยู่ตรงนั้นนะ่ะนะถ้าศพสดอยู่จะไม่แตกห้ามถือบางสกุลเท่าไรสร่าศพจึงชื่อว่าแตกแล้วแม้มาดว่าสัตว์มีต้นว่ากาและนกตะกลมและสุนัขและสุนัขจิ้งจอกจิกกัดด้วยจะ ง, งอยปากหรือว่าเขี้ยวหน่อยหนึ่งสร่าศพนั้นก็ชื่อว่าแตกแล้ว ก็แล้วาศพใดล้มลงคลุ้ดสีมากว่าผิวขาดไปหนังยังไม่ขาดตาศพนั้นชื่อว่ายังไม่แตกแท้และครั้นเมื่อหนังแตกแล้วจึงชื่อว่าแตกถ้าหนังขาดถึงจะชื่อว่าแตกถ้าผิวแค่ถลอกหรือว่าผิวจุดลุ่ยไปอันนี้ยังไม่ชื่อว่าแตกแม้ราศพใดเมื่อยังเป็นอยู่เป็นสีและโรคกุดถังก็คือเป็นโรคเรือดและเป็นต่อมพังอยู่แล้ว หรือเป็นแผลอยู่แม้สรางศพนี้ก็ชิวะแตกแล้วถ้าตายมันแตกอยู่แล้ว่ะเป็นแผลบปื่อยหเป็นหนองต่างๆแม้สรางศพใดแต่วันที่สามไปขึ้นทองแล้วก็ชิวะแตกแล้วเหมือนกันมันยังไม่ปรินะแต่ว่ามันอืดทองบวมเต็มที่แล้วี่ก็ได้ว่าแตกเหมือนกันแม้ในสรางศพยังไม่แตกเลยด้วยประการทั้งปวงเท็กตุจะใช้คนผู้เฝ้าป่าชา้าหรือมนุษย์อื่นให้ถือเอาก็ควร ถ้าแม้ไม่ได้ผู้อื่นไซ้ายพึงทําด้วยศาสตราหรือว่าสิ่งอื่นให้เป็นแผลแล้วพึ่งถือเอาบางสกุลเถิดก็แลในเรีระที่เป็นวิสภาคาะก็คือศพหญิงจะตั้งสติยังสมณสัญญาให้บังเกิดแล้วทําให้เป็นแผลในศรีษรษะหรือว่าหลังมือหลังเท้าแล้วจึงถือเอาควรอยู่ทาเองก็ได้ให้มันแตกให้สักสบแตกก็ไปกรีดที่หลังมือหลังเท้าที่ศีรษะก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นศพหญิงก็ต้องระวังหน่อย ข้อหนึ่งอีกบาดไม้บาดทองบาดเงินบาดแก้วมณีบาดแก้วไททูลบาดแก้วผลึกบาดสำริ์บาดแก้วหุ่งบาดดีบุกบาดสังกะสบาดทองแดงเหล่านี้อย่าพึงใช้ถ้าใช้ต้องถูกกฎบาด11ชนิดอันนี้เป็นบาดที่ไม่อนุญาตเป็นบาดที่เป็นอกัตัญญะ11ยาบาดไม้บาดทองบาดเงินบาดแก้วมันีบาดไททูลบาดแก้วผลึก บาดสำริดบาดแก้วหงบาดดีบุกบาดสังกะสีบาดทองแดงทั้งหมด11ชนิดอันนี้เป็นอคติยะไม่ควรใช้จะใช้ต้อบาดทุกกฎบาดที่อนุญาตให้ใช้มีสองอย่างก็คือบาดดินกับบาดเหล็กจึงควรถ้าบาดดินนี่ก็เผาสองไฟบาดเหล็กก็เผาห้าไฟแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ถึงไม่รู้จะมีตัวอย่างหรือเปล่าราะว่าในดิการนี่บอกว่าถ้ามันตําแล้วเผาไฟเดียวก็ใช้ได้แล้วสมัยนี้ก็สนิมมีขึ้นด้วยเป็นบาดสเตนเลส จุดปะระสงค์ในการเผาก็คือเพื่อที่จะให้สนิมไม่ขึ้นนั่นเองนั้นบลลันเด็ก็ต้องห้าไฟส่วนบาดินก็จะได้ให้แข่งให้แข็งนั้นก็เผาสองไฟบาดินกับบัณเด็กินควรโดยทรงห้ามและอนุญาตหรอว่าณนะพิขเวดารุมโยณนะโสวรณมโยณนะรูปิยนะณมณิณนะเวรุริยนะณภริกาณนะกังสะณนะกาจณตนะิปูณนะศีสะ นตัมบะโลหะมะโยปัตโตทาเรตบโบ อ, อนุชานามิพิกเวก็ความละดเวปัเตอโยปัตังมัตติกาปัตังมัตติกาปัตังก็คือบาดดินนั่นเองอโยปัตตังก็คือบาดเหล็กดังนี้ถ้าแม้ในโรงฉันกรหัดเขาจัดกับข้าวลงในบาตและจานทองเป็นต้นน้อมเข้ามาถวายแม้จะถูกก็ไม่ควรน้อมมาถวายก็ตัดอาหารได้แต่อย่าไปถูก บาทถูกจานอะไรเหล่านั้นจะเป็นจานทองภาชนะทองไม่ใช่ของในเศนาสนะนี่ห้ามไปถูกต้องถ้าเป็นของในเศนาสนะนี้เป็นทองเป็นเงินเป็นอะไรนี้ใช้ได้ทั้งหมดเป็นของสงภาชนะมีจานเป็นต้นแล้วด้วยแก้วผลึกและแก้วหุงสำริดเป็นต้นเป็นปุกคริกะบริโภคอย่างเดียวไม่ควรจะเอามาบริโภคกินขอนส่วนตัวนี้ไม่ได้เป็นสังขีกาบริโภคหรือว่าเป็นขี้หิตวิกัด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 คำทั้งพวงนี้กล่าวไว้ในกรุนทีอัตกถาข้อหนึ่งอย่าเอาบาดชุ่มด้วยน้ำเก็บไว้ด้วยทรงห้ามไว้ว่านาพิขเวโสดักโกปัตโตปฏิสาเมตบโบ ว, ว่าอย่าเอาบาดมีน้ำเก็บไว้ถ้าเก็บไว้ต้องถูกกดให้พึ่งแดดเสียก่อนแล้วจึงค่อยเก็บด้วยทรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิพิฆเวเขว้าความละโอตาเปตวาปัตป ต, ตังปฏิสาเมตุงดังนี้ ข้อหนึ่งอย่าเอาบาดชุ่มด้วยน้ำผึ่งแดกถ้าเอาพึ่งต้องถูกกดด้สทรงห้ามไว้ว่าณพิกเวโสดโกปัตโตโอตาเตตโบดังนี้พึงทำให้หมดน้ำก่อนจึงค่อยตาด้วยทรงอนุ ญ, ญาตไว้ว่าอนุชานามิพิกเวข้อความละนิโรดกักัตตวาข้อความละ ข้อหนึ่งอย่าตากบาดให้นานด้วยสงห้ามไว้วานะ่าณพิขเวอุนเหปตโนนิดหิตตบโบดังนี้ว่าอย่าตั้งบาดไว้ในที่ร้อนถ้าตั้งไว้ต้องทุกกดพึงตากไว้กลางแดดที่ร้อนครู่หนึ่งแล้วพึงเก็บเสียพ้วอทรงอนุญาตไว้วา่าอนุชานามิพิขเวมุหุดตังอุนเหโอตาเปตตวาข้อความละดังนี้อันนี้ก็เป็นการจบเรื่องของ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 ก็เกือ้อกูลกาบการยังมีสติธรรมัญะก็จะทําให้การปฏิบัติธรรมนั้นเจริญก้าวหน้าแล้วก็สมควรกับธรรมเพื่อที่จะบรรลุอริยสัจธรรมศีลเป็นรากฐานเป็นบาตรแห่สมาธิแล้วก็เป็นบาตหนึ่งปัญญาก็ขอให้เจริญด้วีนและสมาธิปัญญาได้จักรู้อริยสัจธรรมโดยทั่วกันด้เทินสาธุสาธุสาธุ